1, 1. นจุปฏิบัติธรรมที yeah to si ่สมควรแก่เราพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่มีสาระแก่นสารท่านสอนสิ่งที่มีประโยชน์สอนให้เราแยกได้อะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์นอกจากมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราของมีประโยชน์บางอย่างก็ไม่สมควรแก่เรายกตัวอย่างท่านบอกว่าสมถธและวิปัสสนานี้มีประโยชน์แต่บางคนทำสมาธิไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ก็ไม่สมควรแก่เรา ฉะนั้นพอจะลงมือภาวนาฉันจะต้องทําสมาธิให้ได้เสียก่อนเพราะมันเป็นเรื่องดีที่จิตจะสงบเสียก่อนแล้วจเจริญปัญญาทีหลังมันดีจริงมันมีประโยชน์จริงแต่ทําไม่ได้นี่ไม่ใช่ของที่สมควรแก่เราแล้วเกินฐานะฉะนั้นเราต้องเลือกกรรมาฐานที่พอเหมาะพอควรกับฐานะตัวเองวันหนึ่งหนึ่งหาเวลาสงบไม่ได้เลยจะไปทําให้มันสงบทําไมเสียเวลาเรียนรู้ความไม่สงบไปเถอะถ้าเรารู้ทันความไม่สงบไปแล้ว มันจะสงบของมันเองแค่เรามีสติขึ้นมาเห็นว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็สงบของมันเองนี่ใช้ปัญญานำสมาธิคนไหนมีโอกาสมีเวลามากใช้สมาธินำปัญญาได้ก็ทำไปเพราะมันดีทั้งนั้นแหละทั้งสมาธิทั้งปัญญามีประโยชน์ทั้งคู่เวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานก็บรรลุ ด, ด้วยสมาธิและปัญญาทุกคนไม่ใช่บรรลุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งฉะนั้นเวลาบรรลุพระอรหันต์ในพระไตรปิฎก ชอบใช้สำนวนว่าบรรลุพระอรหันต์ด้วยปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบกลับไม่กำเริบกลับไม่เสื่อมถอยแล้วไม่กลับไปฟุ้งแล้วฉะนั้นเวลาบรรลุจะบรรลุทั้งสองอันแต่ว่าตอนเริ่มต้นไม่ใช่ว่าจะทำได้ทั้งคู่คนไหนทำสมถะได้ก็ทำไปทำสมถะแล้วอย่าติดในความสงบเสียเวลาให้ออกมารู้กายรู้ใจไว้ คนไหนทำสมาธาไม่ได้ก็ไม่ต้องคร่ําครวญชาตินี้คงไม่มีหวังได้มรรคผลนิพพานอย่าไปคร่ําครวญ น, นะเสียเวลาหลวงพ่อเห็นพวกทําสมาธิเยอะทําสมาธิเยอะไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเยอะไปไม่บรรลุอะไรเลยนอกจากจะไปพรมโลกหรือถ้าสมาธิเสื่อมไปก็อารมณ์ร้ายกิเลสรุนแรงกว่าชาวบ้านธรรมดาอีกดังนั้นไม่จําเป็นเสมอไปเราก็ทําเท่าที่เราทําได้อันไหนสมควรกับเราเราก็ทําอันนั้น ค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตตัวเองทางเดินของการปฏิบัติมีหลายสายสองสายหลักๆคือทำสมาธิก่อนแล้วค่อยเจริญปัญญาหรือเจริญปัญญาแล้วทำสมาธิมีสายพิเศษอีกสายหนึ่งสำหรับคนพิเศษคือทำทั้งสมาธิและเจริญปัญญาไปด้วยกันทำได้นะสำหรับคนพิเศษ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 ทำได้ถ้าดูจิตชำนิชำนาญแล้วไม่ใช่การคิดถ้าเป็นการคิดพิจารณาปับ๊บตกออกจากสมาธิเลยดังนั้นเส้นทางเดินมีตั้งเยอะแยะเลือกเส้นทางที่เราเดินได้ไม่ใช่เลือกเส้นทางที่อาจารย์ของเราเดินหลายคนเลือกเส้นทางของอาจารย์หรือเลือกเส้นทางตามเพื่อนเขาเข้าวัดนี้ก็เข้าเขาเข้าคอร์สนี้ก็เข้าเขาไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าแล้วดีเราก็ต้องไปยกอย่างเขาบ้างมันไม่จาเป็นนะ ถ้าเดินสวยแล้วบรรลุพวกวงโยทวาทิบรรลุก่อนใช่ไหมไม่จําเป็นหรือบางคนก็ต้องนั่งหลับตาภาวนาถ้าหลับตาภาวนาแล้วบรรลุเร็วคนตาบอดก็บรรลุก่อนหรือถ้าไม่ต้องฟังอะไรแล้วบรรลุเร็วคนหูหนวกก็บรรลุก่อนจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นการภาวนานี่นะเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันทํางานไปเวลาเราภาวนาแล้วให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ แล้วเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ในบางขณะบางเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบโดยเฉพาะการนั่งสมาธิภาวนาเราตัดการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ใจอันเดียวเราดูการกระทบทางใจเดี๋ยวใจมันคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวใจมันก็ปรุงโน่นปรุงนี่นี่ก็ทาวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทาให้เป็นนะถึงเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งเป็นดูได้ ช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็ดูให้สงบช่วงไหนสงบแล้วก็ดูให้เกิดปัญญาทำได้หมดมีเวลาที่จะนั่งปฏิบัติตามรูปแบบอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวตลอดวันรู้กายรู้ใจทั้งวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วใจกระเพื่อมขึ้นมากระเพื่อมแล้วเราก็รู้ไปเรื่อยใหเราฝึกให้ได้ในชีวิตประจาวันให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไป หรือเวลากลางคืนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเราตัดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกเหลือแต่ความรับรู้ทางใจอันเดียวบางคนไม่เอาไหนเลยพอนั่งสมาธิก็ตัดความรับรู้ทางใจออกไปด้วยคือหลับไปเลยอย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะอย่างน้อยมันต้องมีการรับรู้อยู่ถ้าไม่รับรู้ทางห้าทวารก็ต้องรับรู้ทางทวารใจอันเดียวอย่าไปรับรู้ทางทวารตาอันเดียวนะบางคนฝึกกรรมาฐานไปรับรู้ทางทวารตาอันเดียวก็มีเหมือนกัน พอตากระทบรูปกำหนดอยู hmm. ่ที่ตาตลอดเลยกำหนดอยู man, ja ่ที like ่จักขุประสัทบ้างกำหนดอยู่ที่รูปที่ตาไปเห็นบ้างกำหนดอยู่ที่การกระทบอารมณ์ทางตาบ้างหรือกำหนดอยู่ที่จิตที่รู้อารมณ์ทางตาบ้างนี่กำหนดได้ตั้งสี่แบบแล้วเกิดอะไรขึ้นใจก็นิ่งๆอยู่อย่างนั้นบางคนก็นึกว่าเป็นพระอรหันนะเพราะว่าใจไม่เคยกระเพื่อมเลยใจไม่เคยกระเพื่อมเพราะว่าไปเพ่งเอาไว้ตั้งแต่ต้นทางแล้วเพ่งตั้งแต่ตอนกระทบอารมณ์เราไปเพ่ง มันก็นิ่งไม่กระเทือนกระทบแล้วไม่กระเทือนก็นึกว่าเป็นพระอระหันต์ไม่ใช่ถ้ากระทบแล้วกระเทือนขึ้นมาแล้วไม่ได้ยึดถือมันถึงจะใช่นะแต่ถามว่าสิ่งที่กระเทือนเป็นอะไรกระเทือนขันกระเทือนจิตที่เป็นธรรมแท้ไม่ได้กระเทือนด้วยเลยไม่มีความเคลื่อนไหวภายในสักนิดเดียวก็ไม่มีหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าภายนอกว่างเปล่าไม่มีรูปลักษณ์ภายในเหมือนท่อนไม้และก้อนหินไม่มีความกระเพื่มไหว นี่จิตที่เรียกว่าจิตหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีข้างนอกข้างในด้วยที่บอกว่าภายในภายนอกนี่พูดโดยโวหารที่จริงคือจิตไม่ปรุงแต่งอะไรแล้วจิตสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักว่าคิดนึกไปจิตชนิดนี้จะมีความสุขมาก